ครับคารวะหลวงพออ่อก็คือบาอาจารย์ลุกตันก็จะร่มพรายาธี่ทำหนักปฏิบัติธรรมทุกทุกคนครับก็าตามสบายนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับเจ้านี้ก็ทำ ม, มาก็ได้มีโอกาสผู้ให เพนธรรมะหรือว่าผือไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เกี่ยวกับเรื่องอความคิดการเจริญสติก็เป็นยังไงตามประสบการณ์ของตัวเองก็ <c oughs> เราก็เป็นคมเป่งมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ทนใช้ความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตถ้าเราใช้ความคิดเป็นก็ดี สิ่ที่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าเป็นเรื่องที่มันทุกข์ก็ดีเราก็มามาไม่ได้ติดกับความคิด ความทุกข์ไม่ได้จิตมันก็ปรินแต่งไปปรินแต็งไปก็เป็นสักว่าเป็นสัญญาสักว่าเป็นความคิดเราไม่ได้เป็นธาตุขมันถ้ามาใช้เป็นประโยค เป็นบทเรียนก็ยินดีสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราเคยทำผิดก็เป็นบทเรียนไม่ต้องเจ็บใจเอามาใช้สำหรับนอนาคต ก็คือว่าเรื่องที่ทำปิดมาเป็นสัญญาเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตรเรื่องอดีตเป็นเรื่องอดีตถ้าเรามีสติ ก็เป็นเรื่องปัจจุบันนี่เองเพราะว่าเราก็คิดเรื่องอดีตก็คิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเราอยู่ปัจจุบันมีสติแล้วก็เป็นเจ้าของของความคิดอามาใชา่ ประยคในปัจจุบันในอนาคตได้เพราะว่าสิที่ความคิดผิดความผิดนี้ก็สอนเราว่าถ้าทําอย่างนั้นก็เป็นอย่า ง, งานั้นถ้าไม่ได้ทําอย่า ง, งานั้นก็ไม่ได้เป็นอย่า ง, งานั้นแล้วก็ชี้ให้เรา รู้ว่าอาดีตก็ทำปีตอย่างงั้นแล้วก็เป็นผมเป็นอย่างงั้นว่าอนาคตก็ไม่ได้ทำอย่างงั้นเอาเลือกสิ่งที่ดีมาก็ได้ผมดีด้วยก็เป็นสัญญาณได้ เรื่องอนาคตก็เหมือนกันเรื่องอนาคตเราคิดก็ถ้าใช้ความคิดใหม่แป็นก็ถ้าคิดอนาคตก็เป็นเรื่องงามบนไปเรื่อยเรื่อยเรื่องซับสนแล้วเราก็ไปยามีสติ เกปัจจุบันเรื่องอนาคตก็เอาแมเอามาเป็นความหวานดีปรารถนาที่ดีแล้วก็ว่าจะทำอะไรดีในปัจจุบันก็ ก็มีกำลังใจมาเกิดขึ้นตอนที่เรากำบนใจสับสงบุ่มวายกุ้มใจเรื่องอนาคตนี่ก็มันก็พลังก็เหี่ยวเฮหมดกำลังใจแต่ว่าเราก็คุม ความคิดของตัวเองสติเป็นเจ้าขอก็เอามาเรื่องในเรื่องอะไรก็ทำให้มีประโยชน์ได้เพราะว่าเรื่องอนาคตก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอนาคตเราก็คิดเรื่องอนาคตมันในปัจจุบันนี้เอง มันตีก็เกิดนิมิตเกิด uh, ภาพอะไรในจิตใจมันกับฝันอันนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ติดก็เป็นบทเรียนทำหมดได้ไม่ต้เป็น สิ่งที่ไม่สบายทางกาก็ดีทางใจก็ดีมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราก็ไม่ได้จิตไม่ได้เป็นก็เห็นมันเห็นมันแต่ก่อเป็นผู้เป็นเปรียมเป็นผู้เห็น ก็เราก็เก้าใจธรรมะชัดแจงขึ้นชัดแจงขึ้นเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังเขาเคยมาวัดเยอ่หลายครั้ง ตอนที่เขามาเขาก็รู้รจกักคนไทยตอนแรกเป็นเพื่อนแต่ว่าตทวไปก็รักกันแต่ว่าต่อไปมีโอกาส อ, อกหักด้วย คนแรกๆ เ, เขาก็อยู่ในความทุกข์เสียใจเสียดายทุกข์ใจแต่เขาเห็นจิตใจของตัวเองด้วยสติได้ขึ้นเขาก็เข้าใจว่าอนี่แหละ เป็นอนิจจัรย์แล้วก็รู้ธรรมะเห็นธรรมะว่าสินใดอะไรพัฒนาสินใดไม่ได้รับสินนั้นก็เป็นทุกข์นี่แหละประสบการณ์ได้แล้วเห็นได้แล้ว ถ้าเป็นผู้แปลก็ยังมีทุกข์แต่ว่าเห็นผู้เห็นแล้วก็ออยินดีที่ดที่จะเข้าใจธรรมะจะแจงขึ้นด้วยความทุกข์ของตัวเองต่อไปเขาก็มีโอกาสมีคนรักเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รักคนนี้ ก็เขามีคนรักกันก็ก็ทุกข์ใจเพราะว่าเขายังไม่รักเขาตอนแรกๆก็ทุกข์ใจแต่ว่าต่อไปก็เป็นผู้เปลี่ยนเป็นผู้เห็นจิตใจของตัวเองว่าสิ่งที่ไม่ปรารถนา ก็ได้รับนี่ก็เป็นทุกตัวเองเขียดชา้ชานแต่ว่าสินั้นก็เอามาตัวเองก็เป็นทุกถ้าเห็นแล้วก็อ๋อเข้าใจจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ ผู้จริงก็เรื่องอะไรก็เราก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอะไรสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นกลายกับ ใจเอามาใช้เป็นประโยคนี่แหละเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมถ้ามีคองว่าดาถ้าเราโทษ โ, ทโทต้ตบว่าดากลับไปก็อันนี้ก็ยันไม่เป็นนักปฏิบัติธรรม ถ้ามีคงว่าดาเราเห็นว่าใจเราเป็นยังไงถ้ า, อาทอยังนี้ได้แสดงว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมสิ่งอะไรจากด้านโนกกระทบกับเรา เรายันเห็นยันดูแต่ด้านโนกคนนี้คนนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเศรษฐกิจการเมืองรัฐบาลพ่อแม่ยันว่าดา่าก็แสดงว่ายังไม่เป็นนักปฏิบัติธรรม ทินงใดด้านนอกมากระทบใจเราเรามาเห็นตัวเองทันทีว่าเป็นจิตใจของเราเป็นยังไง <c oughs> กรอกรอดหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่า ไม่สบายใจหรือเปล่าหรือว่ายินดีหรือเปล่ า, ล า, ลามาเห็นตัวเองตัวใจกับเราเองทันทีแสดงว่าเป็นสิธิที่เป็นนักปฏิบัติได้ไม่ได้มองดูด้านนอกดูด้านในกลับมา อาการต่างๆเราเห็นไปเห็นไปชักขึ้นยินเห็นยินชัดยินชัดว่าอ้อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราก็มีโอกาสที่ดีมีตามีจมูกมีหู มีสัมผัสและธรรมารมมังเกิดขึ้นทุกนาทีทุกวินาทีก็เป็นโอกาสที่เราจะเป็นผู้ได้เห็นมีบทเรียน เยอะแยะด้านนอกด้านในก็เครื่องไว้เพ็นอาการเรื่อยๆบันตีสวรรค์จะมันตีก็มืดบันตียินดียินได้อยูย่จิตใจก็หอนตอก เป็นพายุมานทีเราก็มาดูเป็นโอกาสที่ดีที่เราเข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะเขาอยู่ที่อาคารอาการเกิดอาการดับไปที่จิตใจ ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ที่ที่อื่นเป็นกายกับใจนั้นเองเป็นเป็นธรรมราธรรมะถ้าเรามาดูมาเห็นทุกวินาทีทุกนาที มันเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้ธรรมะทุกวินาทีทุกนาทีอากาศร้องก็รู้ว่าเป็นร้อนหนาวก็รู้ว่าหนาวบางทีก็ทำการนหนักก็รู้ บางทีเป็นหวัดไม่สบายกรุเป็นนาการมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปยุงกัด ก, ก็รูกินข้าวอร่อยไม่อร่อย ก, ก็รู้ หิวก็รู้อิอ่มก็รู้อันนี้ก็เป็นโอก า, าสที่เราศึกษาธรรมะถ้าจริงเห็นชัดจิงเห็นชัดอาจจะเรยียว่าเราเข้าใจ ลึกซึ้งไปลึกซึ่งไปนี่เป็นอนิจจันนี่เป็นอนัตตานี่เป็นทุกข์เราก็หารจากสิท่ทีอาการไกลไกลแต่ของ ก, กจิตไม่ได้ห่างกัน ค่อยๆมีจ้ อ, จองม่านสติกับกายกับใจเป็นอาการดับไปเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัว ก็ไม่ใจเป็นของตัวไม่ใจเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติพอหลวงปู่ปก็เคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนี้ไม่รู้ไม่ธรรมะธรรมชาติ เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นนี่ธรร ม, มะกับธรร ม, มชาตินี่ก็มันก็ไม่เกี่ยวกคมกันมากแต่ภาษาไทยก็ใกล้จิตมากธรร ม, มะกับธรร ม, มชาติถ้าเราเห็นธรร ม, มชาติก็ออก็เราเห็นได้สิ่งเดียวกัน อากาศก็อ่อนตกบ้านหนหยุดบ้านแสงสว่างขึ้นบางทีก็มืดบางทีมีเมตรอ่ก็เป็นอาการเรื่อยๆมันเกิดขึ้นดับไปถ้าเราขึ้นเครื่องบิง ขึ้นบนเมฆเห็นแล้วก็สวรรคตลอดไม่ว่าที่ดินที่ในเมืองฝนตกปายุหนักแต่ว่าถ้าเร า, เาขึ้นบนเมฆแล้ว ก็มันก็เป็นสวานตลอดแค่อาการก็อยู่ใต้เมรก็หอนตกบ้านแสงขึ้นบ้านแล้วก็ถ้าขึ้นลำบินดูจากบมเมรแล้วก็ออก็เป็นอย่างนั้นมันสวานสวายตลอด ก็จิตใจก็เหมือนกันตอนที่เรายังไม่ใดเป็นมีสติก็มันเป็นอากาศของจิตใจก็ทำลายบ้างพายุมันเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเรามีสติ อ, อยู่เหนือจิตใจก็เหมือนกับว่าบมเมฆก็ออเป็นสวรรค์ตลอดไม่มีฝนเลยเพราะฉะนั้นนี่เราก็ปฏิบัติแล้วถ้าเห็นจัดแล้วก็เป็น ปละกอกไปถ้าเราอยู่ใต้แม่นี้ก็บันทีก็พายุมันผัดเครื่องบิงอาจจะตกก็ได้เพราะว่าเป็นกระทบกันมากแต่ว่าถ้อาอยู่เราก็ อยู่เหนื อ, อจิตใจก็ปลอบไปปฏิบัติตมไปเรื่อยๆก็มีโอกาสพือมีโอกาสเริ่มเตือก็น้อยหลงมีสติมีปัญญา ก, ก็เป็นมั่งคน ถามังกรจิตใจสมาธิสติปัญญานี่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนมาเป็นอัตโนมัติได้แต่ยังไม่มังกรเราก็ต้องฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆจะถึง สินี่มังคนเป็มถาบองก็ขึ้นเรื่องดื่มตัวเรื่อง เ, องเองผลอเถือนี่แอมเป็นสินี่อันตรายทำให้ชีวิตของเราขลมเป็นทุกข์ ก็จะนั่นนี่ก็สติรู้ปัจจุบันขณะอยู่ในที่นี้อยู่ในปัจจุบันนี่ก็ทำให้ชีวิตของเราก็ปปอบไปที่สุด เฉพาะการจริญสติยกมือสั่นจังวะเดินจงกลมนี้นี่ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติดีอกกำลังกายทางร่างกายสุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็จิตใจก็มีเจตนาสร้าง เพราะว่ายกมือก็ทนใช้คำลันมีการขันติอดทนมีการใช้บิดยะความเพียรก็สร้างขึ้นมาด้วยก็ธรรมะที่ดีทั้งหมดก็สร้างขึ้น ด้วยการเจริญสติยกมือเดินจงกรมสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะมันมีปัญญาก็เกิดขึ้น ถ้ามีปัญญาชัดแจงเข้าใจกรธรรมะงอนสังขารทางกายทางใจก็เป็นสติสมาธิก็ก็มั่งกลมากขึ้นมากขึ้น เราไม่ได้เลือกที่ไหนอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอยู่กับใครก็ไม่ได้เลือกก็ได้อยู่ที่ไหนก็จิตใจก็อยู่ในป่าตอนที่เราซื้อของอยู่ในตลาดจิตใจเราก็อยู่ในป่า สงบเป็นปกติเงียบไม่ได้ํำบ่มไม่ได้วุมนวายเพราะว่าจิตใจเป็นภาสึกด้วยมีสติอยู่เคยกับใลรก็ ก็มีสติอยู kot, nan, nan. ่แล้วก็เราก็สนิกันเป่งกันแองกันได้ไม่ว่า2คนเคยการคนนี้ก็คิดอดีตนาคิดอยู่นั่งคิดนั่นอีกคนนึงก็ไปคิดที่อื่นแม่ว่าคน สองคนอยู่กันก็ไม่ได้อยู่กันจริงๆเพราะว่าจิตใจก็เที่ยวกันตั้งสองคนแต่ว่าถ้าสองคนก็อยู่กับกายอยู่กับใจอยู่ปัจจุบันอยู่ที่นี่ก็ เราก็เป็นมิตรกันได้พูดถึงเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าก็บอกมาแล้วว่าทนที่เราผู้คุยก็ควรผู้ถึงเรื่องธรรมะเรื่องจิตใจ ถ้าเราอนที่ไม่ได้พูดเมื่อถึงก็ อ, อยู่ในสงบก็ไมต้องคิดอุ่นวายปิจรารณาเห็นอาการ รู้รื้อรื้อไปรื่อยรือตไปก็ร้อยรื้อพันรื้อเดิมตือโอกาสเดิมเตือก็น้อยหลงน้อยลองชีวิตของเราก็เปลี่ยนเป็นชีวิตที่มีค่า ความดีก็มันเกิดขึ้นเป็นอตโนมัติก็ได้นะครับสำหรับเจ้านี่ก็ธรรมะก็ผูกคุยธรรมะนี้หน่อยหน่อยนะครับก็ข อ, ขอจบอย่างแค่ น, คนี้ข อ, ขอ ให้พวกเราทุกๆคอมีความเจริญมีเกิดสติสมาธิอบปัญญ า, ามากขึ้นเรื่อยๆนะกับเจริมพร